Thank you. การเจริญสติมันมีทั้งการปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็ปฏิบัติแบบที่ไม่ต้องเอียงรูปแบบจต่กลมกลืนไปกับชีวิตประจําวันการปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อการจเจริญสติเนี่ยนะมันก็มีวิธีการง่ายๆก็คือว่าทําอะไรเนี่ยก็ทําเป็นอย่างๆ อ, อันนี้เป็นวิธีการหรือว่าเป็น หลักการที่มันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยทนเป็นอย่างๆางเช่นเวลาอาบน้าก็ใจก็รับรู้อยู่การอาบน้ําหรือว่าให้เราเนี่ยใส่ใจกับการอาบน้ําไม่ต้องไปหาเรื่องอื่นมาคิดนะเวลากินข้าวก็เหมือนกันนะมีงานการอะไรที่ต้องคิดก็เก็บเอาไว้ก่อนใจเราก็อยู่กับการกินเวลาเดินนะ อาเราก็เดินนะใจอยู่กับการเดินอย่าเพิ่งไปหาเรื่องมาคิดถึงแม้ว่ามีงานสำคัญที่จะต้องทำเวลาสวดมนต์อ้าวเราก็สวดมนต์ให้เสร็จก่อนแล้วจะทำอะไรก็ค่อยว่ากันเวลาฟังธรรมอ้าเราก็ใจรับอยู่อยู่กับการฟังธรรมมันมีงานการอะไรที่จะต้องทำอาเก็บเอาไว้ก่อน มีเรื่องที่จะต้องวางแผนก็ค่อยหาเวลามาคิดนะวางแผนใหน้รวมถึงเวลานอนด้วยนะเวลานอนก็ก็ให้นอนไม่ต้องมาคิดเรื่องงานเรื่องการให้มันยุ่งยากถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะมันก็เท่ากับว่าเราได้เจริญสติแล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนที่ทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันทีแรกก็ ตั้งใจทำหลายอย่างพร้อมกันเช่นกินข้าวก็คิดเรื่องงานเรื่องการไปด้วยอาบน้ำก็คิดถึงเรื่องนี่เรื่องศีลว่าเออจะชำระจะผัดผ่อนผ่อนทรงอย่างไรอ่ะพอสมัย น, นี้ก็ถือว่าเวลาเป็นของมีค่านะต้องทำหลายอย่างพร้อมกันแต่ทำไปทำไปนะมันกลายเป็นนิสยัยและถึงแม้ไม่อยากจะคิดมันก็คิด เวลาจะนอนมันก็นอนไม่ได้เพราะว่าคิดถึงเรื่องการกู้เงินคิดถึงเรื่องการผัดผ่อนเรื่องหนี้สินเสร็จแล้วไปไง น, นอนไม่หลับพยายามสร้างที่ใส่นะให้ทำเป็นอย่างๆมีคมพูดว่าเดินทีละก้าวนะกินข้าวทีละคำทำทีละอย่าง อันนี้มันเป็นวิธีการง่ายๆนะในการดำเนินชีวิตนะบางคนเดินหลายก้าวพร้อมกันก็มีนะคือก้าวแรกยังไม่ทันเสร็จเลยนะก็ต่อก้าวที่สองแล้วอันนี้เรียกว่าหลน่นสมัยที่หลวงพ่อสุเมโทโธบวชใหม่ๆเนะี่ยท่านเป็นพระอเมริกันคนอเมริกันก็ทำอะไรรีบๆ ตอนที่มาบวชได้ไม่กี่เดือนนะเป็นพระฝรั่งรูปเดียวเป็นชาวต่างชาติรูปเดียวที่วัดหนองประพงศ์คราวนึงก็มีโยมมาบอกมานิมนต์นะให้ไปที่สาลาอาจารย์สุมเมทรก็รีบเดินเลยก็เดินแบบรนๆนะโยมก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ่นเดินไม่เหมือนหลวงพ่อชายนะหลวงพ่อชายท่านเดินทีละเก้าได้ฟังเท่านี้ท่านก็ ได้คิดขึ้นมาทันทีเดินทีละก้าวปกติทุกคนก็เหมือนกับว่าเดินทีละก้าวอยู่แล้วนะแต่ที่จริงไม่ใช่อะก้าวแรกยังไม่ทันเสร็จเลยนะเดินก้าวที่สองแล้วอันนี้เรียกวเพราะรีบเพราะรนเพราะอะไรเพราะว่าใจมันไปอยู่ข้างหน้าแล้วหรือว่าใจมันคิดเรื่องอื่นไปด้วยอเดินทีละก้าวมก็คือทําทีละอย่างนั่นแหละเดินก็เดินนะไม่ต้องเอาเรื่องอะไรมาคิดไม่ว่า จะเป็นว่าไปให้ถึงจุดหมายไวๆหรือว่าคิดเรื่องงานเรื่องการหรือว่าคิดเรื่องคนนั้นคนนี้คนสมัยนี้ทํางานก็ไ ม, ม่มีความสุขนะเพราะว่าไม่ได้ทําทีไรอยะเวลาทํางานนะใจก็นึกห่วงคนที่บ้านนึกห่วงลูกนึกห่วงพ่อแม่คิดเรื่องหนี้สินอันนี้เราทําหลายอย่างพร้อมกันแล้วก็ทําไม่ได้ดีนะเพราะว่าพอคิดแบบนี้เข้าก็เกิดความกังวล ไม่มีสมาธิกับงานและห่วงลูกมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าตัวอยู่ที่ทำงานนะลูกอยู่บ้านห่วงไปก็ไม่มีประโยชน์ไอ้น้สินที่จะต้องผัดต้องผ่อนต้องชำระเอามาคิดในระหว่างทางานมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะก็ัํทำให้หนักใจแทนที่จะทำงานให้ดีก็งานก็ทำได้ไม่เต็มที่บางทีก็เสียงานเขาอีกงานก็ไม่สำเร็จ ใจก็เป็นทุกข์นะเพราะมีความกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้นะทำทีละอย่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิธีการที่จนะทำให้เรามีสมาธิกับงานงานก็ได้ผลใจก็เป็นสุขมันเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกนะไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ในทางธรรมถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลากินก็กินถึงเวลอาบน้ำก็อาบน้ำ ถึงเวลาทํางานนะใจเราก็อยู่กับงานที่ทําไม่ต้องไปคิดถึงงานอีกกี่ชิ้นที่มันค้างคาอยู่ทํางานตอนเช้าไปคิดถึงงานตอนบ่ายนี่ก็เราทําหลายอย่างพร้อมกันนะแล้วก็ไม่ดีสักอย่าง ท, ทําทีไะอย่างแล้วก็คิดทีละเรื่องนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นกันนะบางทีคิดเรื่องงานเดี๋ยวมันก็เผลอไปคิดเรื่องลูกแล้ว แล้วก็ไปคิดเรื่องลูกเป็นตัวเป็นตะาเลยคิดเรื่องลูก๋ยว ก, ก็เผลอไปคิดเรื่องงานนะคิดหลายเรื่องพร้อมกันไม่มีสมาธิกับเรื่องที่คิดเลยสักอย่างนะเพราะว่าสร้างนิสัยนะทำหลายอย่างพร้อมกันคิดหลายเรื่องพร้อมกันทีแรกก็เจตนาคิดตั้งใจคิดนะหรือว่าเจตนาทำหลายอย่างพร้อมกันเสร็จแล้ว พอเป็นนิสัยแล้วนะก็ห้ามไม่อยู่แล้วมันจะคิดเรื่อยเปื่อยถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับเพราะมอยากคิดเรื่องงานจริงๆต้องรู้จักนะนะทําทําทีละอย่างคิดทีละเรื่องใจเราเนี่ยมันเหมือนกับตู้นะหรือโต๊ะที่มีหลายลิ้นชักนะลองดูภาพท่าลิ้นชักเนี่ยนะหรืออ่าถ้าตู้หรือว่าโต้นี่ ทุกลิ้นชักนี่มันเปิดมาหมดเลยนะมันคงวุ่นวายหน้าดูเลยเวลาเราคิดอะไรเนี่ยก็เหมือนกับเปิดลิ้นชักทีละอันใจเรานี่มันทําได้นะเปิดลิ้นชักทีละอันเปิดอันนี้ส่วนอันหนึ่งก็ปิดเอาไว้ไม่ใช่เปิดอันนี้ยังคาอยู่เลยไปเปิดอีกอันนึงมั่วไปหมดนะอันนี้เพราะว่าคิดหลายเรื่องนี่ถ้าทําทีละอย่างเนี่ยมันก็ามาใช้กับการปฏิบัติในรูปแบบได้ เวลายกมือสร้างจังหวกะก็ก็ให้ใจมันอยู่กับการยกมือรับรู้การยกมือสร้างจังหวะและเวลาเดินจงกรมก็ก็ทำแค่เดินจงกรมก็พอไม่ต้องไปทำอย่างอื่นซ้อนขึ้นอีกเช่นเดินจงกรมไปก็คิดเรื่องงานเดินจงกรมไปก็คิดเรื่องคนที่บ้านเนี่ยหรือเดินหรือสร้างจังหวะไปก็คิดละเออกลับไปถึงบ้านนี่จะ ไปเที่ยวที่ไหนจะไปซื้ออะไรบางทีก็วางแผนเรื่องกระถินเรื่องผ้าป่านการปฏิบัติในรูปแบบนี้มันก็อาศัยการทำทีละอย่างเหมือนกันยกมือใจก็อยู่กับการยกมือนะไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเดินก็ใจก็รับรู้อยู่การเดินนะไม่ต้องไปห่วงกังวลเรื่องอื่นมันง่ายๆนะแต่ว่าเราพยายามทำให้เป็นเรื่องยาก อันนี้ก็คล้ายๆกับที่เคยพูดนะว่าการจดร ส, สติก็คือมันก็มีหลักว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเหมือนกันนะตัวอยู่ไหนใจอยู่ัหนกับทาทีละอย่างคิดทีละเรื่องยอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันอย่าคิดหลายเรื่องพร้อมๆกันหรือว่าติดๆกันนะคิดให้มันเสร็จเป็นเรื่องๆก่อนเหมือนกับว่าเปิดลิ้นชักก็เปิดทีละลิ้นชักพอจัดการเข้าของในลิ้นชักนั้นแล้วก็ปิด แล้วเคยเปิดลิ้นชักใหม่นะไม่ใช่เปิดทุกลิ้นชักเลยหรือเปิดหลายลิ้นชักแล้วก็ไม่เสร็จสักเรื่องแล้วถ้าทําอย่างนี้นะมันจะมีสมาธิถึงเวลานอนเอิมจะคิดเรื่องงานเรื่องการอะไรนะมันเผอลิ้นชักมันเผยเปิดขึ้นมาก็ปิดมันซะาบางคนนอนอยู่ดีๆตีสองตาสว่างคิดถึงเรื่องงานเอามือกายหน้าผากเรื่องหนี้สินเรื่องลูกเรื่องครอบครัว อ่ให้รู้จักปิดลิ้นชักนะเปิดทีละลิ้นชักถ้ามันเกิดมีลิ้นชักอันอื่นมันทะลึ่งโผล่ขึ้นมาเปิดขึ้นเองอ่ะเราก็ต้องรู้จักปิดมันซะให้เหลือแค่ลิ้นชักเดียวก็คือเรื่องที่เรากําลังคิดหรือว่างานที่เรากำลังทําสติเนี่ยมันทําหน้าที่นี่นะคือทําหน้าที่ปิดลิ้นชักอื่นๆไอ้ตัวหลงเนี่ยมันจะคอยเปิดลิ้นชักนะเปิดลิ้นชักนั้นแล้วก็เปิดลิ้นชักนี้ สติธมาที่ปิดลิ้นชักทีละอันทีละอันมันเพิ่เปิดขึ้นมาก็ปิดมันซะกาลังนอนอยู่คิดเรื่องงานเรื่องการก็ช่างมันอาจจะเรียกว่าผัดผ่อนไปก่อนนะผัดไปไว้ค่อยไปคิดเอาตอนเช้านะตอนนี้เป็นเวลานอนปิดลิ้นชักที่เป็นเรื่องงานเรื่องการซะบางทีมันเพิ่เปิดลิ้นชักเรื่องหนี้สินอ่ะให้รู้ตัวแล้วก็รีบปิดมันซะนะอันนี่เป็นการเจริญสตินะ ด้วยวิธีการง่ายๆนะแต่แน่ละเวลาทํามันยากเพราะว่าไอ้นิสัยที่ไม่ดีมันโดยพราะนิสัยเพื่อว่าทําหลายอย่างพร้อมกันคิดหลายเรื่องนะติดิกันเนี่ยไม่เสร็จสักเรื่องแล้วคาราคาสั่งเนี่ยมันสะสมมานานจริงๆถ้พูดถ้าพูดถึงการเจริญสติอย่างเป็นรูปแบบอย่างเป็นระบบเนี่ยนะที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็น ขั้นตอนที่ชัดเจนอยู่แล้วมันอธิบายให้ความหมายแม้กระทั่งคําว่าสติปัฏฐานเนี่ยได้ชัดเจนสติธรรมดาเนี่ยนะมันก็แค่เป็นความระลึกได้ระลึกได้ว่าบ้านเราอยู่ถนนไหนซอยไหนระลึกได้ว่ากุฏิเราเบอร์อะไรระลึกได้ว่าวางรองเท้าไว้ถึงไหนนะ ไว้บนชั้นหรือว่าไว้ตรงหน้าห่อไตรแต่ว่าสติปัฏฐานเนี่ยหรือว่าสมาสติเนี่ยมันจะมีความพิเศษคือมันไม่ใช่แค่สติลอยๆอนะมันจะมีอีกสองอย่างประกอบกันขึ้นมาอย่างที่เราสอนเมื่อกี้เนี่ยอาตาปีสัมปะชาโนสติมาเนอาตาปีคือความเพียรนะสัมปะชาโนก็คือความรู้สึกตัว สมัมมาสติหรือว่าสติปัฏฐานเนี่ยก็คือว่าเป็นการระลึกได้ที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็ทำให้เกิดความเพียรอความระลึกได้บางอย่างเนี่ยมันทำให้หลงก็มีนะเช่นไประลึกได้ถึงคำต่อว่าด่าทอของคนนั้นคนนี้ระลึกได้ถึงคนรักที่จากไปและทําให้โศกเศร้าเสียใจนะ ไอการระลึกแบบนี้เนี่ยมันไม่ทําให้ให้รู้สึกตัวนะมันทําให้หลงแต่วลึกถึงความผิดพลาดแนวดีก็ทําให้เสียใจนะไม่ใช่ว่าสติทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นสมารสตินะเช่นสมารสติสีปทานเนี่ยมันต้องเมื่อการระลึกเนี่ยมันทําให้เกิดความรู้ตัวและนําไปสู่ความเพียรเช่นใจลอยนะระหว่างที่ัดฟังคํญญาบรรยายก็ใจลอยนะ หรือว่าเผลอง่วงเผลอลับเนี่ยเสร็จแล้วก็เราลึกขึ้นมาได้แวบบขึ้นมาว่าอ๋นี่เรากําลังนั่งฟังคำบรรยายอยู่หรือว่ายกมือสร้างจังหวะใจมันลอยเสร็จแล้วเราลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังเจริญสติอยู่กาลังสร้างจังหวะอยู่ไอ้ความระลึกได้แบบเนี้ยมันทําให้เกิดความรู้สึกตัวและมันก็ทําให้ความเพียรเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะสติบางอย่าง หรือความเราลึกได้บางอย่างเนี่ยมันทําให้โกรธก็มีนะมันทําให้เศร้าก็มีนะพอไประลึกได้ถึงเรื่องราวในอดีต ท, ที่ทําให้เจ็บปวดทาให้โกรธเคืองเสร็จแล้วก็ใจก็หลุดเข้าไปในอารมณ์นั้นอันนี้มันหลงเลยนะเราเรียกว่ามิจฉาสติก็ได้นะนะต้องเข้าใจนะว่าสติเนี่ยมันมีหลายลักษณะมีหลายประเภทสติที่มันเป็นสิ่งที่จะ ช่วยทําให้ใจเราเป็นกุศล น, นะก็คือสัมมาสติหรือว่าสติปัฏฐานประกอบด้วยสัมปชาญโนความรู้สึกตัวแล้วก็อาตาปีคือความเพียร น, นะซึ่งมันจะทำให้เกิดความไม่ยินดียินร้ายนะในโลกธรรมหรือที่เรียกว่าเนี่ยไม่ไม่ยินดีร้ายในโลกนะใครชมอา่าก็ ใจมันลอยอก็รู้ทันกลับมาเป็นปกติมีคนมาว่ามีคนมาตําหนิใจมันปกแป้าขุนมัวอรู้ทันความยินร้ายก็หายไปฉันจำเป็นปกติและสติปัญญานเนี่ยนะเขาจะามาใช้นะในการมาดูกายดูใจหรือเพื่อเต็มเต็มก็คือดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมอันนี้เป็น อ่าเป็นเป็นสติที่เอามาใช้นะเพื่อทาให้นะเกิดความเข้าใจเรื่องกายเรื่องใจสติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นนะโจรมันก็มีสติเหมือนกันนะโจรก็มีสติในการเปิดตู้เซฟนะมันต้องมีสมาธิใจไม่วอกแวกหรือว่ามันจำรหัสได้เนี่ย จิตก็ต้องจดจอ่อหรือเราลึกได้ว่ารหัสมันเบอร์อะไรไอ้สิ่งที่ทําให้เราลึกได้ว่ารหัสตู้เซฟเนี่ยเบอร์อะไรหมายเลขอะไรเนี่ยก็คือสตินะแต่มันเป็นสติทูกถูกกากับด้วยความโลภความหลงนะคือความโลภอยากจะป้นซับเขาขโมยสมบัติของเขานะจนผู้ร้ายก็มีสตินะผู้ฆาตรกรก็มีสตินะ จะยิงเขาเนี่ยนะมันก็ต้องมีใจจดจ่ออยู่กับเป้าแต่ว่ามันถูกครอบงาด้วยความโกรธความเกลียรหรือความลวกไ็ได้ถ้าเกิดว่าถูกจ้างมาใครจะตายกูไม่สนนะกูสนแต่ว่าจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ต้องใช้สตินะในการทำงานให้สำเร็จนะเสียงดังยังไงก็ใจก็ไม่วกแวกนะใจมันกาหนดรู้อยู่กับงานที่ทำเนี่ย อันนี้ก็เรียกว่าทำเทเลียมกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่สติที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่สัมมาสตินะสัมมาสติเนี่ยก็คือสติที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัวนะแล้วก็มีความเพียรแล้วก็ใช้เพื่อการดูกายดูใจดูเวทนาดูจิตดูธรรมไม่ได้ไปรู้อย่างอื่นคนที่เป็นนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาก็ต้องอาศัยสตินะในการ ที่จะศึกษาดาวต่างๆในจั ก, กรวาล น, นอกจากมีปัญญามีความรู้แล้วต้องใช้สติก็ทำให้งานสาเร็จได้อย่างล่าสุดนี่ก็พบว่าโอ้มันมีมันมีดาวเคราะห์นะมันอยู่รอบดวงอาทิตย์ที่ใกล้สุริยะจั ก, กรวาลมากที่สุดโอ้เป็นเรื่องตื่นเต้นมากเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะเป็นดาวที่เชื่อว่าอาจจะมี บรรยากาศเหมือนโลกซึ่งก็หมายความว่าอาจจะมีชีวิตนะอาศัยอยู่อยู่ไม่ไม่ไม่ห่างไม่ห่างไม่ห่างเท่าไหร่นะก็มาสี่ล้านปีแสงนะให้สี่ปีแสงนะแสงเดินทางสี่ปีกว่าจะถึงนะถือว่าใกล้สุดแล้วก็วใช้สตินะแต่ว่ามันเป็นสติที่ทําให้เออรู้เรื่องโลกภายนอกนะแต่ว่าไม่ใช่ทําให้มารู้เรื่องกายเรื่องใจ รู้เรื่องกายเรื่องใจงไม่สําคัญยังไงก็ทําให้ใจเนี่ยปลดเปื้องจากความทุกข์ได้ทาให้ไอความหลงไม่มาครอบงําแล้วก็ทําให้เกิดปัญญานะเพียงแค่มีสติเนี่ยนะดูกายแล้วก็ระลึกได้ว่ากายมีอยู่แค่นี้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากแล้วเมื่อตอนท้ายนะของบทสวดที่เราสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ย จะมีประโยชน์เนีบอกว่าเนี่ยสติตั้งมั่นนะว่ากายมีอยู่คอสังเกตว่าสติตั้งมั่นหรือว่ากายระลึกว่ากายมีอยู่เนี่ยนะไม่ใช่ระลึกว่าเรามีอยู่นะนถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีความสำคัญไมาหมายว่าเรามีอยู่หรือว่าตัวฉันมีอยู่หรือว่ากูมีอยู่นะ แต่เพราะสะติเนี่ยสติปัฏฐานนี่แหละนะที่มันทําให้ระลึกได้ว่ามันไม่ใช่กูไม่ใช่เรานะแต่มันแค่กายมีอยู่ตรงนี้แหละที่มันทําให้ไอความสําคัญไม่ไหมายว่ากูก็ดีเราก็ดีเนี่ยมันเจือจางไปตรงนี้มันก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งนะคือทําให้เข้าใจทําให้มีปัญญาเห็นเรื่องรูปนามเรื่องกายเรื่องใจเพราะว่า ถ้าไม่มีสติไม่มีความสึกตัวเมื่อไหร่มันก็จะไปปรุงว่ามีกูมีเราเวลากายทำอะไรก็ไปคิดว่าฉันทำกูทำเวลากายเดินก็ไปคิดว่าฉันเดินกูเดินนะเวลากายมันกินเวลากายมันเคี้ยวก็ไปคิดว่าสาคัญมป็นหมายว่ากูกินกูเคี้ยวนะคือมันมีกูตลอดเวลาเลยมันมีเราตลอดเวลาเลยแต่พอเราใช้สติปัฏฐานเนี่ยนะ มาดูกายเนี่ยนะเวลาทําอะไรก็ทําด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะหรือจะลึลกว่าโอแค่กายมีอยู่นะไม่ใช่เรามีอยู่จิตก็เหมือนกันนะพอเอาสติปัฏฐานเนี่ยมาดูเวทนาดูจิตเนี่ยมันก็จะเห็นว่าแค่สักว่าเวทนามีอยู่นะจิตมีอยู่นะไม่ใช่กูมีอยู่จิตก็ไม่ใช่เราจิตมันคิดอะไรนะ มันก็เป็นเรื่องของอาการนะไม่ใช่เราคิดโกรธนันก็เป็นความโกรธเกิดกับใจนะไม่ใช่เราโกรธราคะเกิดขึ้นกับใจก็ไม่ใช่ว่าเรามีราคะหรือเราเป็นราคานะหรือว่าเราอยากอันเนี้ยมันมันเป็นมันเป็นสติที่จะช่วยทาให้เราเนียทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายและใจเ้ยเวลาพูดถึงว่าสติปัฏฐานสมมาสติเนี่ย ก็ให้เรารู้จักแยกแยะนะว่ามันต่างกากสติธรรมดาอย่างไรบ้างหรือสติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างนะคือมันเป็นสติที่ควบคู่หรือว่าทำให้เกิดความรู้สึกตัวประกอบไปด้วยความเพียรแล้วก็มีผลก็คือว่าทำให้ไม่ยินดียินร้ายในโลกหรือว่าไม่ยึดติดอะไรไม่ยึดติดสิ่งใดๆเลยเนี่ยอย่างที่เราสาธยายตอนท้าย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากก็เพราะสติเอาสติปัฏฐานเนี่ยมาใชนะ้เพื่อพิจารณาเพื่อตามดูรู้กายเวทนาจิตธรรมเห็นถ้าเราเข้าใจว่าสติปัฏฐานหรือสมารสติมันแตกต่างจากสติธรรมดายอย่างไรเนี่ยเราก็จะได้ไม่หลงนะไม่สับสนแล้วก็พยายามที่จะเติมเติมความรู้สึกตัวเข้าไปให้มันคู่กับสตินะมันจะเป็นสมาสติไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะใช้สติไปในทาง ทำชั่วก็ได้ใช้สติไปในทางเพิ่มทุกข์เพิ่มความหลงก็ได้นะถ้ามันเป็นสติธรรมด า, าคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะ